f 0 languages. 3 Nalavatta Muru. ที่สวนสัตว m r u g a l a ya Dalli. สวสัวอยู่ที่นั่น Ali m r u g a l a ide. Giraffe อยู่ตรงนั้น จิราฟก็ลูอัลลิเวมีอยู่ที่ไหนคาราดิก็ลูเยลลิเวช้างอยู่ที่ไหนอานก็ลูเยลลีเวงูอยู่ที่ไหนฮาวก็ลูเยลลิเวสิงโตอยู่ที่ไหนซิมห์ก็ลูเยลลีเว ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปนันน่บัลีวุ่นดูวแคมเมร่าอีเดดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยนันน่บัลลีวุนดูวยิดีโอแคมเมร่าสหาอีเดดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนแบตเตอรี่เยลลี่สิกุตเตเดนกแพนกวินอยู่ที่ไหน เพนกวินกัดูยลลีเวจิงโจ้อยู่ที่ไหนแคนการูกัดูยิลลิเวแรกอยู่ที่ไหนเห็นดมรักกากุดูยิลลิเวห้องน้ำอยู่ที่ไหนอิลลช่สะาดเลยอ่ะยิลลิเดมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น อัลลีวันดูอุปหารเศนยตรงอีเดมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นอัลลีวันดูโฮเทลอีเดอูดอยู่ที่ไหนวันเตกัลดูยังลีเวกอลิลลาและม้าลายอยู่ที่ไหนกอริลลากัลดูมัตตูซบรากัลดูยังลเว เสือและจระเข้อยู่ที่ไหนฮุลกลูมัตตุมสะเลกลูเยลลีเว